คำว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้ปราบไตรภพเรียนจบในสมุิทั้งปวงโดยสมุดพระสาวกดำเนิน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 พระสาวกที่วัสังฆังแช่นังขจฉามีท่านลำบากที่ได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่ถ้าเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนวนน้อยมากที่เป็นขิปาปัญญาสุขาปฏิปทาขิ้ปาปัญญา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 ส่วนทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี้รู้สึกจะมากคือทั้งปยู่ทั้งปฏิบัติลําบากและรู้ได้ช้านี่มีจำนวนมากมีท่านกล่าวไว้สี่ประเภทด้วยกันคือทุขาปฏิัทาที้ปลาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุขาปฏิปปั ปฐ า, าปัจจุกุคขาปฏิบัตาคิดปาทธันตาพิญญ า, าปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติละหมากแต่รู้ได้เร็วมีเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านทุกนักปฏิบัติทั้งหลายให้พิงดู ใจของตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นมากยิ่งกว่าดูตัวของเราที่ยกมานี้มาเป็นแบบฉบับเพื่อให้มันจิตมันออกนอกลูกนอกทางโดยเห็นว่าลำบากบัางเล็ดน้อยแล้วก็ทะเลถลายไปในทางที่จะพาให้โลกจมไปเสียโดยไม่ไม่รู้ว่านั่นคือความลำบากอย่างมหาหัน การปฏิบัติเราพอทราบได้ในนิสัยของเราเราฝึกทรมานจิตใจของเราหนักแน่นขนาดไหนได้รับผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างว่าเป็นทุกข์ากขาปฏิบัตาทุกข์ขาปฏิบัตาอยู่ในนั้นถ้าปฏิบัติแบบล้มหมอนนอนเสือ่อไม่มีวันลุกไม่มีวันตื่นเลยนี่ นี่มันเลยสุขาปฏิปทามันเป็นปฏิปทาที่เน่าเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจอันนี้ไม่มีทางที่จะว่าเป็นสุขทันทากิจญาและขี่ปากิจญาได้เลยคือรู้ได้เร็วกว็าตางรู้ได้ช้ากว่าต่างจะไม่มีวันรู้ได้ทั้งสองอย่างนี้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 พยมเป็นความยากความลําบากอยู่โดยดีเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดชี้แนะแนวทางให้จนสาวกได้รับการชี้แจงแนะนําจากพระพุทธเจ้ามาด้วยดีแล้วจะเรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฝังผู้ได้รับการแนะนําจากพระพุทธเจา้าแม้เช่นนั้นเวลามาปฏิบัติ น, นั้นต้องลําบากลาบ่ม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 เพราะฉะนั้นกิจงานการใดๆก็ตามใครจะว่ายากว่าลำบากทุกทรมานเพียงไรเมื่อมาเทียบกับงานที่จะถอดถอนห ร, อหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสออกจากจิตใจนี้ยิ่งเป็นงานหนักหนื่งงานใดๆทั้งนั้นผู้ไม่ทราบ ผู้ไม่เคยดำเนินผู้ไม่เคยทำงานประเภทนี้อย่างเอาจิงออกจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากเพียงไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออ ก, ก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลสจะตามทันหรือเกินกว่ากาลังของกิเลสที่จะต่อสู้ได้กิเลสจึงจะยอมหมอบราบ ตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เแฝงเคลิ้มหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเราออกคุณทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไหล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 ไม่มีเวลาที่ทาจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดูการประกอบความภาคเพียงขององุมเวอนู้สึกทําให้หนักใจอยู่มากเป็นแต่เพียงไม่พูดเท่านั้น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 ทำให้จิตใจท้อทอนแอะลงในขณะที่จิตคิดเช่นนี้นั่นแหละคือเพลิงของกิเลสก่อใจให้ปืนซากเอาไว้ทุกทุกถัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกทำแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลําดับลาดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสฉุดลากหวัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียนและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสีย ล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละในเหล่ น, นั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหยอดต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียนของเรานักจะอ้างการอ้างเวลามเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างอ้างความโง่ความช้าละอ้างอำนาจวาสนาอ้างอ้างสถานที่การเวลา อ้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของจิตทั้งหมดอมืเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอาอจิเตมาถือเป็นเครื่องมือแห่งความคิดความปรุงนี้ใช้ไปเสมอความคิดในแน่ธรรมที่เคยคิดไว้นั้นเลยล่มจมคิดหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละการประกอบความภาคเ่ย์ที่เป็นไปไม่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ ขอให้ทุกท่านสราบเอไว้ครั้งพุทธการท่านประกอบความภาพเพียนนี้ท่านทําอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆกับความเพียรเพื่อชําระสัตยานกิเลสให้วอดวายไปจากจิตใจท่านไม่ทําเพียงลุ่มโดนๆพอเป็นกิริยาให้กิเลสมันหัวเรละําคาญตายต่อๆอย่างที่ เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้กิริยาอะไรที่แสดงออกมามีตั้งแต่พิเรตออกหน้าออกตาเพียรทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของพิเรตทักจุมหึือขับดันให้เกิดไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอบาวิธีที่จะทราบความเพียงสําคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้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 ตามหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้วาดไปอีกนี่เราก็ไม่รู้จุดตัวการฝึกระมาณจิตใจให้พึงทราบว่าจิตใจนี้เป็นอะไรจิตใจนี้คือผู้ท้องหาถูกควบคุมจากกิเลส อ, อยู่ตลอดเวลาเราจะแยกงกิงจิตใจนี้มาเป็นสมบัติของธรรมให้ทำได้คล่องใส จ, จึงมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันหลักแห่งการต่อสู้ก็คือสติ เครื่องมือแห่งการต่อสู้คือสติคือปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนในการต่อสู้จําไว้ให้ดีนี่เด็ดจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนี้ให้พิจารณาทําบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทําอะไรให้จริงให้จังจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทําบทใดให้มีแต่ทําบทนั้น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 หมีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัตถิธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเราความคิดความปรุงหรือคํำโดยคำนี้ไปทําหน้าที่ของกิเลสแทนทําไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ถูกกําหนดทําบุตรใดให้พึงทําแบบแบบนี้ด้วยกันแม้จะกําหนดอนาถานนัตติตามความถนัดของตน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 ในด้านธรรมะเช่นคำบริกรรมถ้ามัานยังคิดออก ไ, ได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องบ้างเลยทำการต่อสู้กันอย่างนั้นท <c oughs> านกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับลมโดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยไม่วางซึ่งกันใน ก, กันแล้วลมก็จะปรากฏเป็นความละเอียดเข้าไปเพราะใจพาให้ละเอียดนี่ก็อธิบายถึงที่สุดของลม มาไม่รู้กี่ครั้งไหนจนถึงกับว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้รุนร้วนเนี่ยเป็นดังนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติเมื่อยังเหนือแต่ความรู้รนร้วนเราก็ไม่ต้องนิยตกวิจารกับลมว่าหายไปไหนกลัวจะเป็นจะตายเราไม่จะภาวนาเอาลมหายไปไหนก็หายไปเองลมเราภาวนาเอาความรู้คือจิตนีจต่างหาก เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อตามรอยโคไปถึงตัวโคแล้วลมก็รอยของโคก็หมดปัญหาไปาการกําหนดลม ก, ก็เมื่อถึงตัวจริงคือความรู้แล้วลมก็หมดปัญหาไปความรู้มีอยู่อยู่กับความรู้นั้นไม่ตายแม้ลมจะหายไปในความรู้จิตแต่จิตยังคองและอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียด ขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้น <c oughs> อย่าไปปรุมไปแตะไปหมายว่าอยากไปละเอียดไปให้รู้ดูจำเพาะนั้นตึงที่ว่าภาวนาในวงปัจจุบันมีการาพิจารณาเพื่อความสงบ ถ, ถึงเวลาหรือระยะที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสนาวิ ป, ปัสนาก็แปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นธรรมด า, าแล้วมันเห็นด้วยความมืดบอด เห็นด้วยสัญญาอารมณ์เห็นด้วยความจําปลอดเห็นรูปเห็นกายมอง ด, ด้วยตาเนื้อเมื่อใจมันมันตอมเมื่อใจมันมืดแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงดูร่างกายนี้ก่อนหนังผมขนเล็บฟันหนังดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรหนังนี่ที่เงใครใครก็มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชรา ข, ขําค่้าวอันนี้ด้วยการซุ้นตลอดถึงสัตว์มันก็มี มันวิเศษวิโสอะไรกับหนังความที่ว่ามันสวยงามน่ารักน่ายิชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมาหลอกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแค่หาความสวยความงามไม่ได้ถ้าจะเอาความจริงนี้ไปลบแล้วความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปสิหลักความจริงคืออสุภาพสุภาพธรรมปฏิกริย โ, โคกมันเต็มหมดทั้งร่างกายนี้แล้วความที่ว่าสวยงามมันออกมาจากไหน หาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ความปฏิกูลโสโคกทั้งภายนอกภายในต้องช้าต้องล้าต้องอักต้องอักต้องสงอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นดูไม่ได้ <S <S 1> <S 1> นี่ความจริงทำไมจึงเชื่ อ, อนั่งหนาเชื่อชีเละมันสวยมัหนามันกีรังถาวรว่าวให้ความสุขกายนะให้ความสุขที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏว่ากายมีความสุขเลยนอกจากมันไม่เป็นโรคอะไรมันก็อยู่เฉยธรรมดาแต่เรื่องของความทุกข์นั้นเด่นมาก ความสุขมีนิดๆเช่นมิ้วข้าวพอรับทานอีกแล้วก็มีความสบายขึ้นมาทั้งแต่นั่นก็เสมอตัวมีพิจารณานตั้งกายก็ให้เป็นอย่างนั้นบางครั้งจิตให้ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเนี่ยเนี่ยถ้าลมาเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานภายนอกตามป่าตามเขาลําเนาวไผ่ก็เที่ยวไปแต่จิตไม่ละกรรมฐานภายในคือท่องเที่ยวอยู่ในสกุลกายอันเป็นหลักใหญ่ของสัจธรรม และสิ่งนี้แลเป็นเครื่องปกปิดกำบังบุรุษตาส่าใจโงกเข่ขาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทำให้ลงสู่ความจริงนี้มอบเจลสาโรุมานาขาทันตาแตจูเป็นต้นให้แต่พิจารณาพ่คลาสิ่ง น, นี้ทําไมจึงหลงลนักหนาตาก็มีอยู่ไม่ใช่คนตาบอดหูก็มีอยู่ทุกจมูกก็มีอยู่ควรจะเห็นควรจะรู้ควรจะได้ยินควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งถิง่นทั้งลายทั้งมัด แต่ทำไมมันจริงไม่รู้ไม่เห็นทําไมมันถึงไปเชื่อแบบด้นด้นเดาเดเกาหมัดไปเช่นนั้นซึ่งหาความจริงไม่ได้เลยพิจารณาลงไปและยึดหาอะไรพูดถึงเรื่องธาตุดินยึดมันอะไรดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วน้ําก็รู้ว่าน้ําแล้วยึดให้มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงดินเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้เป็นชายได้ยังไงล้มก็รู้อยู่แล้วว่าลม จะให้เป็นจัตเป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นของสวยของงามได้ยังไงใช่นี่ยมีแต่สิ่งรู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆนี่แล้วไปหลงกลของมันได้ยังไงหลงกลของใครวันนี่คือสัตว์ดินนี้คือสัตว์ดินน้ํานี่คือสัตว์คือบุคคลลมไฟคือสัตว์คือบุคคลคือเขาคือเราคือหญิงคือชายคือของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจรักใค้ชอบใจอะไรกับดินน้ำลงไป แยกแยกดูให้มันเห็นชัดเจ็ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิคูณร่างกายไหนร่างไหนจะเป็นปฏิคูณมากขึ้นกว่าร่างมนุษย์เราดูลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเด่นกว่าเขาทั้งนั้นถ้าเป็นของปฏิคุณแล้วแล้วทําไมจึงต้องรับต้องสอบต้องกําหนดยินดีอำนาจหนานี่เป็นเรื่องของขอจิต็จกล่อใจกอย่างนี้เรายังเชื่ออยู่เลยเอาทำก็ไปเป็นคู่แข่งมองทะลุเข้าไปหาความจริงบ้าง อย่างน้อยบ้างเดี๋ยวก่อนต่อไปนั้นก็มองให้ทะลุปลุกปลวกลงไปจงมาทัางอายตัวเองออกมายึดมาถือมาสําคัญนั่นหมายถึงนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้เมื่เวลาพิจารณาเข้าสู่ความจริงแล้วมันหาความเป็นนั้นเป็นนี้ดังที่เคยเป็นมาที่สําคัญมานั้นไม่มีเลยมันก็ละอายตัวเองพอปัญญาอย่างทราบตรงไหนมันรู้แจ้งถึงจริงชัดเจนมันปล่อยวางไปโดยลําดับถ้าปัญญาจะไม่เข้าถึงความจริงไม่เป็นความจริงเมื่อไหร่มันยังไม่ปล่อย เพราะมันยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ไม่ปล่อยได้เมื่อมันถึงความจริงแล้วมัดไว้เท่าไรก็เถอดยังไงก็กระเด็นผงไปเลยเถอะถึงไม่มีเหลือขาดกระจายไปเลยอะไรมามัดไม่ได้มัดติตนี่ขอให้ปัญญาได้ฟันขาดกระจายไปเถอดมันจะดิบตัวของมันขึ้นมา ท, าทันทีพิจารณาให้ถือเป็นการเป็นงาน ทบทวนข้างบนข้างล่างภายในภายนอกตลอดตัวถึงถือเป็นการเป็นงานจริอย่าไปกําหนดทเที่ยวแห่งการพิจารณาอย่าไปนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สําคัญยิ่ยงกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความเปลีแทลเอาให้เห็นเอาให้พิจารณาจนทํานาหลายครั้งหลายผลก็เด่น ข, ขึ้นไปเองเด่นไปเองเด่นไป ความจอมปลอมทั้งหลายที่เคยเจ็ดสันปัญนยอเอาไว้มันก็จางไปจางไปสุดท้ายก็หมดไปไม่กล้าเข้ามาแทรกความจริงนี้ได้เลยนั่นท่านรับรู้จริงรู้อย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดพปกตัดชาท่านตัดข้อที่ตรงนี้สอนท่านก็สอนอย่างนี้อันไหนที่อยาก ควรพิจารณาได้ง่ายเหมาะกับกําลังสติปัญญาของเราท่านก็สอนตอนนี้ก่อนเห็นร่างกายเป็นของหยาบแม้เช่นนั้นมันก็ยังหลงคือต้องสอนมาส่วนร่างกายนี้ก่อนเห็นท่านมอบธรรมาฐานห้าเป็นต้นให้แล้วเมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการสามที่สองไม่ต้องบอกลุกลามไปหมดซึมซ่าไปหมดเข้าใจหมดปล่อยวางได้ทั้งหนัง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 เสียงระเบิดตุมตามตุมกันดูแล้วเหมือนกับมียิงใหญ่มันไม่มีฟืนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของฝฟายก็ไม่ทราบความหมายของตนความร้อนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของฝืนด้วยผู้ทราบก็คือผู้เราผู้ ด, ดูไฟมันกนลังไหม้ปืนอยู่นะนี่ผู้ทราบก็คือจิต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 ไปกออโคยหรือแบบหามอกทั้งร่างร่างกายทั้งความทุกข์นั้นมากมาว่าเป็นตนเป็นของตนเขาเองยิ่งเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างห น, นัมากยิ่งกว่าทุกเวทนาทางร่างกายใช่อีกนี่ความหลงมันทําให้เป็นพิษเป็นภัยที่ขนาด น, นั้นอานจึงสอนให้พิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเวลาทุกเวทนาข้าสาหัสมากเพียงไรนั่นแลเป็นเวลาที่ สติปัญญาจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดคนเรายอมจนกรอบเมื่อไหร่เมื่อถึงค่าวจนกรอบแล้วความฉลาดเพราะความดิ้นรนของสติปัญญามันหักช่วยตัวเองเนตรอดไปได้และรู้แจ้งความจริงทั้งหลายก็รู้ในเวลาจนกรอบนั่นเองดึงขอให้ทราบไว้ทุกๆองค์ด้วยว่าคนเรานั้นไม่ได้งโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงข่าวจนกรอบจนมุม แล้วอัตตาเห็นอัตโนนาโถความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่เพราะตอนนั้นเวลานั้นเราจะไปร้องคางให้ไถ่หมัดเรื่องอันนี้กัางทุกข์ขอน้ำตามมันตามเราไปได้ทุกระยะระยะเว้นแต่คำว่าอสุภะเท่านั้นเพราะนั้นเป็นนามธรรมาไม่เกี่ยวกับเรื่องสุภะอสุภะอ ม, มีตั้งแต่ความรู้ กับความกระเพื่อมของตัวเองกระเพื่อมปทางไหนกระเพื่อมประทางรูปทางเสียงรูปเสียงเลยไม่ถือเป็นสาคัญยิ่งกว่าความกระเพื่อมหลังเมื่อถึงขั้นแล้วนี่แล้วความกระเพื่อมนี่แหละคือตัวก่อเหตมันจะรู้ทันทีทันทีและพอรู้ทันทีก็ดับกันไปโดยธรรมรู้อะไรก็ดับสัญญาความหมายมันจะทราบออกไปไหนมันก็รู้แต่ก่อนไม่รู้ จนกระทั่งไปเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วแล้วก็ไปหลงภาพมานั่งเหมือนกับว่าตุ๊กตาหลอกตัวเองทั้งๆที่ออกไปจากใจนี่แหละสติปัญญาไม่ทันไม่รู้แต่พอทันแล้วเท่า น, านั้นรู้หมดนี้ว่าจะเอาสาระอะไรแล้วก็สติปัญหาหาความจริงความคิดคิดดีคิดชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดประเภทใดเป็นดับความจําระจําอะไรมันก็ดับทังญญา ยัญญาความรับทราบเมื่อในเรื่องเกิดเรื่องดับมันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันใกล้ควรมันพินิพิจารณ์มันรู้ของมันเมื่อใเรื่องของจิตที่สแสดงอาการยุบยับที่มันออกมาจากจิต <c oughs> ตามเข้าไปนี่แหละที่ว่าเชื้ออยู่ที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปที่นั่นเชื่อคือกิเลสมันอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะหมุนตัวเข้าไปที่ไห น, นเอาให้เข้าใจ เข้าใจเข้าใจปล่อยวางหรือว่าเข้าใจตรงไหนทังหารกันที่นั่นก็ถูกสุดท้ายคําว่าพิเลฒทั้งมวลนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็รู้ได้ชัดมันไม่ได้อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันดูกับจิตที่ไปเกี่ยวโยงกับสิ่ง น, นั้นเพราความไม่รู้ต่างหากเมื่อพิจารณาคลี่คลายสิ่ง น, นั้นแล้วจิตท้ายต้องใส่ท้ายงสแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา จนกระทั่งถึงร่างกายเจ้าของว่าพิจนา this ก็หายสงสัยแล้วปล่อยเข้าไป่ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญพิจรณาก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปคือรู้เท่าแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายอย่านี้นขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญนี่คือขันห้าแนื้รู้เท่าปล่อยวางอะไรที่เป็นตัวการสัาพัญของขันห้าอวิชาปัญญาสังข้ารายอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิตน่นที่นี่ที่ที่เหลื ร, รวมตัวแล้วเข้าไปจุดเดียวเนี่ยการพิจารณาทางด้านตันแบบแล้วหมุนเข้าไปกระท่านถึงจิตแต่จิตประเภทที่มีอภิชานนี่เป็นจิตที่สง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญทั้งความป่องใสทั้งความองอาจกล้าหาญทั้งความคึกขนองของตัวเองด้วยความอาจหาญนั่นแหละ เป็นนิสัยของจิตประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงถึงนว่ามานะเก้า 9. มานะเก้าอยู่ตรงนี้นนท่านอธิบายไว้ในสังโยชน์เบื้องบนดูปราคาดูปาราคามานะอุทะจะอวิชชามานะนั่นความถือเนี่ถ้าถืออวิชชาก็จิตที่กลมกลืนเป็นเดียวนั่นแหะเข้าใจว่าเป็นตนเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาเทียบเคียง เหมือนอยงว่าผงค์นั้นเป็นไงผู elite, 5, 3, padre, famous, ้นั้นเป็นไงจิตเสมอเราได้ยิ่งกว่าเราหรือย่อนกว่าเรานะถ้าถึงยกว่าสามสามเป็นเก้าเช่นเราเราจิตเราต่ำกว่าเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาได้ยิ่งกว่าเขาเจิตเราเสมอเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาได้ยิ่งกว่าเขาเนี่ยจิตเรายิ่งกว่ากว่าเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาได้ยิ่งกว่าเขาเนี่อาอันนี้เราออกเทียบเทียมมันเป็นเที่ยว เที่ยวตั ง, งแหลมข่มเที่ยววิาชามานะความถืออันนี้เองพออันนี้สลายไปแล้วเอาอะไรมาถือเอาอะไรมาเป็นผ่องใสเอาอะไรมาเป็นเศร้าหมองเอาอะไรมาเป็นความมงอัดกล้าหาญเอาอะไรเป็นมาเป็นความกลัวมันไม่มีหนักจริงเพราะธรรมชาติมันสลายตัวลงไปด้วยอำนาจของการพิจารณา แล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สร้างปัญหาอยู่ตามภูมิของตน struggles. มันก็หมดไปคือภูมิละเอียดมันก็สร้างปัญหาอันละเอียดมันยิเลศหยาก็สร้างปัญหาอันอยดยบขึ้นมายิเลศละเอียดก็สร้างปัญหาละเอียดขึ้นมายิเลศหมดไปแล้วไม่มีอะไรสร้างปัญหาหมดปัญหาดุจการทั้งปวงหมดเหตุหมดปัจจัยของสมมุติที่จะสืบต่อกันแล้ ว, วควรับเหลือแต่ความบือสุดด้วนๆความมือสุดด้วนๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปกับอะไรสร้างปัญหาอะไรนั่นแต่ว่าหมดปัญหาหมดตรงนั้นภพชาติที่เคยเป็นอยู่กับจิตมากน้อยมันรู้มาโดยลําดับลำลาจนกระทั่งเข้าจุดหรือวตั้งแต่เชื้องมันที่จะไปเพาะที่นั้นที่นี่เกิดมันก็เผากันลงที่นั้นด้วยกรมรมปัธรรมแลกแพรกระจายหมดแล้วภพชาติจะสืบต่อเป็นหาอีกมีไหมจะต้องไปถามไขเล่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขตรงหน้าก็ไม่ถาม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 งานอันฟ้าดินฟ้าถล่มนี่ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วดินฟ้าถล่มก็คือพบคือชาติก่อตัวขึ้นมาด้วยทาสี่ดินน้ำลมงส่หรือพบชาติประการใดมันก็เป็นเรื่องของสมมติถือว่าดินฟ้าถล่มควมมลงไปหมดนี่อะไรจะมามีอยู่ในจิตนั้นนั่นแหละที่มีเอาดูที่นี่ดูขี้เล็ เมื่อได้ฆ่าลงไปจากจิดดวงนี้แล้วอา้ามันอยู่กับที่มันอยู่กับร่างใดกายใดกิริยาของไข่แสดงมาไหนมันปิดได้ยังไงฉันรู้หมดนีดาวเทว่าที่เล็ดมันครอบหัวเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูแล้วดูยากที่ไหนในยับเดียวท่านก็ขยะไปแล้วรู้รู้จนขยะจะว่าไงถ้าท่านจะขยะนะ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 แล้วถ้าลรา ย, ยิ่งสำคัญตัวว่าดีที่เดีกเป็นเช่นนั้นไม่เคยลงลงกับความจริงคือทำไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นลรามาปฏิมัติเพื่อปราบถิ่นอล่างนี้อย่าให้มีภารณาจิตใจเอาให้แหลกแตกจิตใจ้ปหมดดูรู้สมรยที่เรียกต้องเรียนเท่านี้เป็นไง่รรมธรรมอธิบายธราป่า ปัญญาสั้งฆาลาสั้างฆาลาปัญญาวิญญาณนางวิญยาปัญญานามรูปังด้วยคล้องไปจนปากฉีกมันก็ไม่ได้เรื่องนอกจากอิชาหัวหลอกถ้าไม่ต่อวตกิปัญญาเขาไปตรงจ่อวิกปัญญาไปนี้พังทลายเลยไม่ว่าวิชาปัญญาสั้างฆาลาก็ได้ษอยู่ได้ก็บสบาย นีหาสวดกินข้าวต้มขนมเขาจะจนแหลกพวกเราพวกสวดกินธรรมะเลยเป็นเครื่องมือหาจินไปทั้งหมดหากินข้าวต้มขนมกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะประโยชนตาธรรมะคนตายทุกอางเรไปแล้วความเจริจะไปสวดหากินข้าวต้มขนมเนยความเจริกุศลาธรรมา ทำอย่างคนให้ฉลาดนันฉลาดหาจินกระตมขนมไปเที่ยวปกเรามันไม่ฉลาดก็มาแก้กิเลสก็ฟนันกิเลสทีเดยอวกุศลธรรมมาถ้ากุศลธรรมมาํม า, าพาคนให้ง่นะจิตที่พาคนให้งงงงพอตัวอรอยู่ไหนก็รู้ชัดๆสงใช้ชชไปไนงนรู้พอตัวต้องบอกพอตัว สำคัญในมหากริยั่เวลายินง้าอากาศการเป็นการตายไปถุงไปต่างเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนถุกทุบอาการไหนสมหนดพุกิดไปเสียเวลาทำไมมันถึงความกินเป็นส่วนแน้วงมันอยู่ตามความกินนั้นแสนสบายยิ่งกว่าจะไป้ามข้า้ารมๆแรงๆพระพุทธเจ้าสั่งสานินขยันนั่งมันทั้งไม่อยากกินเหมือนเราพระเราดิ้นาระกรรมฐานั้น ขงลอย่างนี้อุงมตะมงคว้างคว้าอวิชทั้งทายเชื่อพาให้เกิดแม่ละเอียดมากเยอะการมันเคททำไม่ทำมันต um ้องเป็นธรรมปฏิบัติมันเข้าไปลูกเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปจนถึงตัวเลย นี่อธิบาหมู่เพื่อนฟังคนมันรู้กี่ครั้งกี่หงนั่นงนั้นไม่ถึงใจเดี๋ยวการอธิบายไม่ได้สงสัยมาอธิบายตามความจริงแท้ทั้งฝ่ายฝ่ายผนไม่อธิบายด้วยความสงสัยอธิบายหมู่เพื่อนังน่าจะตักหมื่นหม่นหนเก็าไปจริงจังกับตัวเอง อยู่ไปนานไปมันชินชานะอความชินชาเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เกียดถ้าทํามันจะราบลื่นมันคล่องตัวไปเรื่อยในการแก้การตกความไม่รุนแรงจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความระมัดระวังสํารวมตัวนี้จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นคือทางเอาไปองความชินชามาชินชาแล้วมันจะไปไหนมั้นไม่ใช่มันจะไม่ไปหน้านด้านจะไปไหนนะถ้าชินชาแล้วหน้านด้าน เขารวอะไภ า, าษาภาษาอีสานเขาเรียกเล็กก้นเตาอะ้วเขาล็ทองก้นเบ้าหรืออะไรตืน่เนเรื่องก็ไม่ได้เรื่องทอะไรก็งมไมอยู่ั้งปรกรมท่านเอาทิ่มืจังนะท่านถือนี่เป็นการเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นติดเป็นใจจริงท่านไม่ให้อะไรไม่อะไรมายุ่งนะให้ให้ทราบลากฐาน หุจแก่นของการปฏิบัติธรรมแก่นของศสาสนาแก่นของผู้พาดําเน้าท่านนำหนึนห่งนั้นนะพวกเราก็เห็นตามระดับเวลาแต่มันเมื่อความจริงไม่ถึงใจแล้วมันไม่กระจายมันไม่ซึงในท ำ, ำนทั้งหลายที่ท่านําเนินมาพา้าําเนึ่มามันก็ไม่ซึ้งถ้าเป็น เ, เนลือกกิเลสมันซึ้งไม่ว่ามันจะยักมาหมัดไหน่เป็นเปิดให้มันเลย จะเปิดให้มันอยู่แล้วแา่มันยังไม่ต่อยมานึงหรืออะไรจะไปคิดตัดต้องมันวะบางทีนน เ, ห เ, หเหมือนกับว่าควักมือออเนี่ยเอามาเลยมาเลยเอากรคางเอากันไก่นี่นะเหมือนอย่างนั้ น, น, นะนหง า, นายหมาลงไปงไ ห, หงายต้อมีท่าก็เหมือนหงายหมาสงายมีท่ามันงายต่อสู้งาย ห, หลอืลีกบหมัด มันงายแบบเจียไม่มีท่าเหมือนถูกนอกหองใช่ไหมได้พราะเราพวกถูกนอกง่ายเป็นท่าพูดแล้วเรายังโมโหวะโมหโมหทแทนหมู่แทนเพื่อนเรเคยฟัดกับมันนอกพอแล้วอ๋อบางครั้งบางข่าวเหมือนจะเป็นจะไปทั้นขี้เหนือยอ้ปปาปายปลายวะเนี่ย น, นีะจิดอะ่ะเวลวมัน แข่งแก่นั่นแก่งขนาดนั้นอ้อาวไปเถอะมั่งนั่นเลยยังไงก็ไม่ถอยออพุ่งได้นะ่หละังวิรานที้นั่นนี่เราจึงได้เห็นเรื่องของอมจิมาปฏิปทาเห็นได้ชัดอย่างนี้เลยไม่ได้คุยเอาความจริงมาพูดกันเดี๋ยวครูทีเจ้าอมจิมาปฏิปทาเดี๋ยเรามาแปลกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติออื มัจิมาปฏิวัชชาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักไม่ยิ่งนักมันเป็นยังไงไม่หย่อนนักมันเปยังไงสายกลางนั้นคือยังไงก็เห็นแต่หมอนเสื่อกับหมอนมันสายกลางนั่นที่เรนมันมีมัจิมาของมันยังเหมาะสมโลกหินทีติดมนเดินทางสายกลางนี่นะลงตรงเสื่อกับหมอนกลางนี่นะน่ถ้าจะทำความบ้าเพียนแข็งค้อบ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นน่ะนั่นที่เหนมันเ่อะมาเพราลร่มหนักกะนาวเลย ถ้าเป็นมัจจิมาของทล้วอัติเดชผลมาผล ม, มาเลยวางั่นเลยก็เหมือนกับข้าสึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงเวลาต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกนะสติปัญญาซึ่งเป็นมัจจิมานไม่เหมาะสมกับอิเดชจะปราบอิเดชได้ไยังไงเวลาอิเดชผลมา ก, ก็ต้องโผลไ่เลยอืนั่นแหละเรียกงของมัจจิมาคือเหมาะสมเหมาะสมกับการปราบอิเดชประเภทนั้นนั้นั่ น, น เดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าสายกลางไงผมจุดท้ายว่าอยากไปนิพพานก็กลัวเป็นตัณหาเลยนะฟังไหนอยากไปนิพพานกลเป็นตัณหาผมเห็ น, นแต่คนตายแั้วไม่อยากแล้วไปนิพพานไปเห็นแต่มันขึ้นของฟอนกองไฟออมันจะไปนิพพานเนี่ยเป็นคนตาย อยากกับกิเลสพันกันหยุดวันนั้นค่ำเป็นยังไงไม่เห็นผิดพราะจะอยากวันนีพันเพราะจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้ยนี่เป็นตัณหาหนูหวังว่าอีูลความอยากเป็นมากก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทําไมความอยากเป็นมากมนมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยอนั่นไม่ทันกันนะทาไม่พริกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแรงพุ่งมาดันไหน ทำไม่แหลมคมมีสติบัญญาเป็นตัวไม่แหลมคมไม่ได้ต้องพลิกแพงแบบนั้นหลายสันพันคมเลยมันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม้โมยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาด้วยวิธีนี้เราจะแก่วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนนอกจริงนี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดียวเวลาจําเป็นจนเกอบจนมุมนี้เราเห็นคุณค่าจริงเพื่อนแนะนำมาพูดใน ห, หมู่เพื่อนฟังพูดด้วความกล้าหาญด้วย มันไม่ได้จนกรอกหนาวางเหนื่อยเวลาทุกมันหนาแน่นก็ทลายเหมือนจะมันมั่นเราจะให้ตายปัจจุบันสติปัญญาหมูนเข้าไปตรงนั้นมันออกไปไม่ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกับตะลุมบวงกันแล้วกอกเผลอได้ยังไงผมนั่งมือเข้าวงในแับวเผอได้ไหนสติปัญญาหมุนติ้วติ้วตี้วมันทุกหนักอะไรมันยิ่งหมุนเข้าไปเรื่อยๆต่อแไปมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแลยวแบพังทลายหนันผมมัน อยากเราะงั้นเวลามาพูดกับมู่เพื่อนมันจึงรียกว่าอยากคุณ เ, เคยปฏิบัติมายังไงได้ผลอย่างกง็ต้องมั น, มนไม่พ้นที่จะนำนิสัยนั้นมาใช่หลือม่ว่าครูบาอาจารย์หนก็เถิดเราไหวอย่างนี้นะเดี๋ยวหลวงปู่ขาวเอามือไปสั่งวงภายในท่านซิโอ้โหเวลาท่านนั่นเสียงี่โอ้โหต่างวานไปเหมือนกับสามแดนโลกธาตุ <c oughs> ท่านเด็ดไม่ใช่เล่นนะหลวงปู่ขาวนี่ ท่านพูดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงน้้งปูแหวนนวันกันผมจะเคยไปคุยธรรมกับท่านแล้วพยายามมาเข้าให้ถึงเพราท่านก็ร่ำลือมานานเราเราถ้าเข้าถึงท่านคุยธรรมกับท่านเอาปั๊บเลยสิโ ทำมาท่านบรรจุไว้นี่ภาพเป็นตุ่มภาพเป็นถังก็ถังอย่างนี้ไม่เคยได้เปิดออกท้ายอืมอะไรทุกคนแต่น้ํานี่ท่านก็ดูน้ํานี่เป็นน้ําที่สะอาดน้ำที่มีคุณค่ามากจะไปเปิดทิ้งเปิดแต่แล้วเฉยๆไม่เกิเปปดประโยชน์ก็เหมือนการละลายกระปิแต่น้ําทะเลอะไรเงี้ยท่านก็ไม่พูดเลยดูไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นภาพเป็นเนนเต็มมัดเต็มมาก็ตามมันก็เหมือนกับ หัวไม้หัวตอนอะไรอย่างเี้ท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดปดระโยชน์เพราะไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปหย่ท่านปั๊บมันพังออกมาเลยเจ้าโอ้ผมยังไม่ลืมนะคนเราคนที่ดื้ออยู่วะใส่ปั๊บ้าไปเอาไม่เอาหลายหมัดเอาสองหมัดเท่านั้นแหละใส่ปั๊บไปท่านก็บโห้ยตัดครึ่งเลยเรื่อยๆเี้ยงเบี้ยงเี้ยงเบี้ยงเป็นอย่างนี้เราเราไม่ลืมนะสิบนาที นี่เข้มข้นไปถึงสิบนาทีแล้วหยุดหยัแล้ว เ, เข้าใจแล้ว่าท่านพุทธมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้ว่างั้นเถอนะะใส่หยับเข้าไปอยู่ป้าเนี่ยโว้ผางมาเลยคำที่สี่ห้านาทีไหลมาเสียงโอ้ยท่านไม่ทราบท่านมีเสียงมาจากไหนขึงขงังตึงตังคึกคักโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นเดยวถ้าเป็คนเดินไปตามบริเวณนั้นอะไรที่อยู่ภาคะลอกว่าัไงจุดทีงว่า ไปจบลงอ้าวถ้มมาหานี่ว่าไม่ถูกเลยอาฆานขึ้นมาแต่ผมไม่ได้ฆาตคูกผมหาทําอย่างนี้แหละก็ <c ười> งลงท่นลงท่านแล้วอนนั้นนางเลยถามองนั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองนั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองคนั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังท่านถามไปเรื่อยนะก็คำหมายก็ว่าธรรมะคิดเดินไอ ปัญหาขี้ดื่นประถันปฏิเสธไปที่ไหนบางคงความหมายก็คงวามมา่างนั่นนะ <c ười> โอ้ท่านเ ย, เ ย, เยี่มแย้มแจงไขดูทีหน้าที่ตาดูทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างเหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเนี่ยแตรที่ถ้าเป็นโลกก็เป็นพลังของกิเลสนจะเป็นธรรมจีบของท่านบริสุทธ์ก็เป็นพลังของธรรมออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้เอาเครื่องมือของก<อ>ิเลสมาใช้ อวัยวะทุกส่วนเป็นเครื่องมือของจิตเหลดนั้นเป็นนิบาสของจิเหลดเมื่อทําไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวแล้วก็ต้องเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะฉะนั้นกิจยาท่าทางของธรรมที่นําเครื่องมือของจิตเลดมาใช้มันจึงเป็นเหมือนกับจิเลดมีลัที่ว่าคนทั้งหลายว่าท่านอาจารย์นั้นดูอาจารย์นี้ดูอย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นเห็นแต่พลังจิเหลดถ้ากิจยาแจดงออกมาเนี่ยนั่นก็คือจิตเหลดดีๆเลยเขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นอย่างไงจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้ไปเห็น ท่านจะมั่นท่านแสดงโหถึงทั้งทาั้งทั้งไม้ทั้งมือเวลาก็เอาจางถึงกถึงชิงนยังไ่งโอ้โหนี่ก็มือก็ใส่นี่ก็โดนกระถนนีปิ้งตกตะพักหนึ่งนู่นยังไม่ลืมนะท่านอะหยุดหละพอมือโดนกระถนกรปิ้งผ่านผ้าปนี่ก็ลงนุ่นตกเอ๊ะลงพักหนึ่งเงียบเลยเ่สุดเงีย พาาระกลีจับกระโถงที่ท่านดูพภ า, า, าเนีย่ยท่า น, นนั่งพเนี่ยเทว้วมือมันตกแต่กระทถไปมันห่างกันขนาดเม็ดหนึ่งคท่านมันก็กิ้ไปตกไป็น้นตกปหพระผ่านไป น, าานู้นพระคลีจับนิ่งไปเงียบไปยงบฮะท่านท่านท่าอท่าทาท่านท่ทนทท่นะอานน่นท่านทนทลานท่านทาน่่ น, น, ไไไ น, นา่า นึกตกตะกอนเลยปุ๊บเลยอายุเดวกันไหนวะเนี่ยตรงนี้โทษลม ห, ห, าหามู่่วนทหาเนื้อหาอะไรไม่เจอที่ทนนี่แล้วก็มันก็มีมากเลมืนั่นมันเหลวๆหลายๆไปนะเราเห็นนั้น่องแนี้นี่เลกจะพาให้ลืมตัวได้ง่ายๆนะ มาแก้กเิเลสมันจะกลายเป็นกิเลสมัดคอนะส่วนมากมันมาแก้กิเลสมันมีแต่ชื่อนะแต่กิเลสมัดคอไม่ได้พูดทั้งที่มันมัดตลอดเวลานี่เราไม่กิเลสมันยากมากนะอยานมากจริงๆนี่ที่รื่มันมันเกินวิสัยของมนุษย์มวลาธรรมดาเราจะไปรู้ทำมันได้ถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่เราพระองค์จริงๆกัดเทถรโลก ก็มีองค์เดียวเท่านั้นสามภพนี่มีองค์เดียวเท่านั้นผู้รู้เรื่องบุรุษผูดป่าไม่ได้นั่นเพราเดียวิวัดกันในโลกจริงเป็นมหาอุตมะมงคลอย่างยิ่งแก่โลกงหลายให้ได้เห็นผิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์ชักทีหนึ่งความศาสนานี่หายไปพบ พิเลนในข้อขอหัวใจสองจัต์ไม่ให้มีความเชื่อความสนใจพระศาสนาศาสนาหมดไปนั่นนี่ก็มีแต่อันเดียวนะข้อไม่หยุมองแงเหนอ่งเลยโอพระพุทธเจ้าเป็นพุทธันอรหนึ่งที่ไอ้มาอุบ <Storm> ัต <able mus> <noises> ิพระองค์มาโพ้ขึ้นมาทีหนึ่งพอรู้ นี่เท่าไงเล่าเหมือกนกันเลยพุทธนดรห น, นึ่งพุทธดรหนึนน่งสติต้อโผล่ขึ้นมาปัญญาห ย, ยับบงงนนังก็ไม่ได้เรื่องเ ท, ท่าแสงห้อยมืดมิดปิดตาไปอีกมันเลยพุทธันดรหนึ่งไม่วันหนึ่งมันไหนไม่รู้แค่ไหนไม่รู้แค่ไหนไม่ได้เรื่องเลยทํำเป็นเหมือนไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนะกกรรมฐ า, านเรา ขปอยู่นะช่างอุทกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอไอหยิสิ่งอย่างนั้นไอเรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันต้องเอาเรื่องนี้เขปเยียบยั่งทำํำลายหัวใจเป็นได้แล้วไม่เชื่อว่าจะอยู่ธรรมดาธรรมดาที่จะสร้างนั้นชร้างนี้ขึ้นมาอะไรข้าวลูกห <c oughs> <c oughs> าอะไรก็กินอีนี่ย้นตรงหัวใจมาเมื่อ หมู่บ้านนี่ดูอ้พวกน้องแซงมัน้องแซงมาทํามีอก็มาพวกเศษงีหมือเศนสร้างอะไรอีกเนี่ยหาเก่าอะไรอีกพวกหมาขี้เลื่อนนี่วางมัินไมเหลอกมันดูเฉยไม่ได้นะมันคันขี้เลื่นหมนมันเก่านันเก่ายิ่สร้างนั่งส้างนี้นะผมนี่นะว่าเพความเพียนไม่ติดปักไม่ติดพื้นก้นมาติดพื้นคือติตมันสงบนิดนึงไม่ได้มันดิ่อย่างนั้นดิ่งอย่างนั้น สร้งนั้นีนมันสร้างอะไรขึ้นในวันนั้นมีไหมแต่ว่าเลยไม่ตอบเลยนะผมมาที่หรือวนี่นะแต่เรื่องเกาอยู่นั่นหัวใจจะมันดิ้นมันคันมันทอนไหมเกาเกาลงไปตรงนั้นสิควันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทําให้คันไม่มีในโลกนี้มีที่เดียวอางเดียวเท่านั้นทําให้ดิ้นหลน่นพอนี้มันลาบไปเรื่องนั้นหละยไหน่นเธอ โลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีนจิตไม่ไปยุ่งแค่อย่างเดียวถาดขันมันก็ไม่รับมืออะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยู่ปีนางไว้ดิมันกริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ผิดอะไรกับสิ่งนี้นั่นต่างกันเพียงความรับผิดชอบสัมผัสยานที่มันรับผิดชอบแันเท่านั้นเราไม่ต้อเห็นอะไรต่างกันเพะั้นมันจะไปเมื่อไรจะแจกเมื่อไรก็แจกไปทีเนี่ย ไม่แต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่นี้มันแตกไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันผิดแปลกจากความเป็นอยู่นี้อย่างไรเราไม่เห็นผิดแปลกกันถ้าพูดถึงท่ากับท่าเนี่ยอยู่นอกก็ท่าเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ท่าถ้าพูดถึงความจริงอยู่นอกก็ความจริงนี่ก็ความจริงเนี่ยต่างอันต่างจริงนี้วมีได้มีเสียกันที่ตรงไหนฮะเท่านั้นที่ทำไมสอนทั้งหมดเราก็เลยนับภูมิจะปัญญาหมดมาสอนสอนหมดภูมิแล้วหมด มันจะเอาแบบศาสนาเซนก็เนี่ยคเราไม่ใช่เซ น, นเว่ะเซนจะทําไงนั่งลงไปใครเป็นนั่งขับหัวงานก็ควนเขาไตายองเลยมือถ้าเป็นอย่างนั้น น, น, น, นน่ะผ้าในนี้ไม่มีหนังแล้วเนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวเนคว้า น, น, น, นดีไม่ดีไห ม, ไมว่าต่อบรรดาจะไม่มีเลยคนมาทําเป็นคว้านไตยผ้า พ, พวกนี้พวกมีหนังแหลกถ้าจะาแบบศาสนาเซน กูยังต่างกันหมดอะหัวหอะไรกูมดุดจนหมดลมกูจะตายเองแล้วที่ว่าท่านหวดไปอยู่ที่ว่าภูเขาไก่ผมเคยไปเที่ยวมาแล้วนั่นเะยอุ้ยสงัดมากสบายมากเย่อไม่มีบ้านคนบ้านสีนะห้าหลังคาเรือนไปอยู่พวกเขาอใส่เขาดำป่าดำเขามันมีบ้านเป็นหย่อมเป็นหย่อมก่อนผมไปเที่ยวไปทางนั้น เพราะนั้นพอพูดขึ้นแถว น, นั้นผมก็รู้หมดว่า อ, อยู่สกักคนแปดปีทองภาษาเรวก็ขึ้นเขาแล้วเ น, วน่ปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั้นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั้นขึ้นช่งนั้นย่อมหลายปีปก็หลายปีผมก็รู้หมดก็ไปอยู่กับพวกนี้แหละไปอยู่กับเขาเขาได้ยังทีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะต้องการความเพียรมากเขาก็มาสนใจกับเราไมปฏิบัติก็มีอะไรก็ให้ซะ ส่วนมากเข้ากระเนีายพริกกับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็เดนะ็กเขาห่อปลาร้าใส่บาตรเขาไม่ได้กินเนี่ยเขาไม่รู้นี่ปลารถ้าเขาหมกไปมันฉุกเมักกกน ก, ก็กินได้อันนี้ไม่ีให้ทั้งผักทั้งพริกโอ้ทั้งห่ อ, อปลาาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสอง ก็มี ป, ปรล้แล้วผักกินกับข้าวที่เจมันกินได้ยงไงถึง ไ, ได้ก็เลยกินทงสองอย่างเจอมหาเจอนั่นนี่นะท่ว่านเนี่ยมันเป็นชินไปแล้วผมเพ้ามันก็ไม่เคยสนใจน ะ, ะก็แต่ว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่กินต้องเรามันอยู่กับธรรมหน่อยไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินสะอาหารยังไงเป็นไงมีหรือไม่มีามากหรือน้อยมันไม่สนใจมันมุ่งอยู่จิตมันอยู่ธรรมเนี่พอไปพัลนุน ชิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเพียรในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพรขวัญเปลือยที่นัมันจึงสบายความเพียรนั้นทั้งวันก็ะไดไม่ใครไปกวนมันคืนกันนั่งจนหนังโคดหลังโขนวางเลถ้าอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดีย ม, มันสนุกหมุนตัวติ้วติวติวกระท ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยเนะี่ยมีหลักคุณมีผู้พาอยู่พาไปไม่งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิเพลินสบายนี่ผมไปอยู่นู่นจิตมีสมาธิแล้วนะที่วันอยู่ในป่าใหเขามันก็ไม่เรื่องแต่ไปหาท่านอาจารย์นั่นปีแรกนี่ ที่ประชามาวบัญชูมันจะเริ่มก็เกืดมไปเร้่อยก็เสื่พอปีที่สองมันจมามั่นนำมนุษมันก็ขึ้นอมันได้แล้วนะมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนไม่ได้ลืมนะเพราะเริ่มแล้วมเสื่ตั้งแต่เมษามาพอเดือนพฤษภากรก็ฟาด ก, กันเลยจเริ่มนั่งตละดลุ่ง ม, มาตั้งแต่พฤษภาในพรรษาเอาลือยเลื่อยเลื่อยุกกว่าขึ้น แต่แต่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกวันนะเล่นไปบางทีสองคืนบางทีสามคืนบางทีเจ็ดคืนแนละเอาทีหนึ่งเอาทีนี่นที่เราได้เห็นเห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดียเดเด่ยวของความตัวนกอกมันได้ผลอะไรบ้างมันมาลุ้นชัดๆตรงนะี้ตอนปีปีไหนก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องความเพียรทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายนี่หากหมที่สุดก็คือ ปีพรรษาสุดในชีวิตของค้าวนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันนั่นมาแล้วมันก็ค่อยสบายลยเลยนะมก็กริ่มตัวยิ่ไม่นั่งตลอดรุ่งลยเลยไปถึงขั้นปัญญา แล้วมันก็ลืมไปเสีไอะลรนร่องการนั่งมันก็ไม่ได้หาโคมอย่างนั้นอีกแล้วเขาอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคนเพลินอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพลินแม่ที่สุดเวลาชันอาหารอย่านี้มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานของมันต่างหากหมุนติ้วติ้วเนี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมาตเนียแต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานทั้งอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุทจาร มันเพลินในการพิจารณามไม่มีพักแม้สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายบางทีนะมันจะเข้าไปหมอบในสมาธิสักตู่นึ่งอุทธจักกฐูมันเพลินไม่ใช่อุทธจักฟุ้งซ่านลำคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทธจักทุกขะมันเป็นนืวันห้าในสามัญชนทั่วไปแต่อุทธจักนี่มันเป็น ทำละเอียดความพเพลิดเพินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับพักสมาธิันจะเพียงกับงานแตเดียวเรียวอุทจักขึ้นในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทจักนะมันไม่ได้ว่านะไม่รูมตัว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 ในหัวใจมาพักสตินพอนพักสมาธิน่ะบางครับเอาไว้เลยเดี๋ยวไมมันก็เหมือนกับเราเพิ่มพูดหาสมาธินะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นล่ะคือว่าคือมันเข้าไม่ได้มันไม่เข้ามันเพลินเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลกโลกมันเพลินอยู่กับงานแล้วบางครับก็คือบางคับออกจากงานต่างหากเนี่ยที่มันต่างกัน มันจึงว่เหมือนจะไม่ไม่เคยมีสมาธิมาเลยมันไม่ไม่ยอมจะมาเข้ามันนี่ก็หมุนน่ะทีนี้ความบางครั้งไม่เข้างกฏฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเข้ามันก็เพอาะสงบมันก็โอ้เหมือนถอดเสี้อถอดน้ําลยนะเบาเบางเบาลงโอ้พุทโธถี่ยึดผมไม่ลืมนะนั่นแหะที่เอาพุทโธกับบริกรรมในขณะนั้นบางครา้งมันไม่ไม่ออก มันมันแยกทำงานเลยกันทีพอมันสงบมันแน่วไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะท้าหลังท่ามันลำบากให้รีบมาเข้านี่นๆอมันน่าจะไปชินกันมันก็ไปคิดนไเพราะเอกนี้พอปล่อยภาพึุผึ่งเลยทํางานเอาละพรนกันเลยจนจะจะเป็นจะตายมันก็จะกลับมาอีกทีหนึ่ง มันถานไปมันเพี่งทาให้รู้ไปหมดเลยตรงนั้นเป็นอะไรนั้นโคตรโคกเกินไปอะไรมันเพลินเกินไปตรงนั้นเพินเกินไปมันก็รู้ถึงัตทัศน์อย่างม่หนา้มานมันคืออะไรมันก็ทืนม้ยถือความรู้จุดที่รู้จุดที่เด่นก็คือจุดรู้ค้อมกับความฝังสายความขระหนาภาพเพลยความอิ่งอ้อยอิงอศัศจรรย์มันทนั้งมีทั้งมันละที่เด่นนี้โอ้โหละเ อ, อียดมากเลยเปิดกันออกให้หมดแล้ว คือว่าอ้อยอินที่ว่าเือเพื่อนก้าหารทานไขยนั้นกล้าเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยนะนะมันจะโอโหโอโหเหลือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประสยบยิ่งกว่านี้มันจะมาโอโห โ, อโหมาหลงกอดกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งเมื่อายเมื่อไหร่ออะรนะแต่ก่อนมัน อ, อ้อยอิง น, นั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำงานสิมันต่างกันขนาดไห น, นอืมน้ำตาลมันทํงมาห ล, ลักแปดนะ สลดสังเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถูกน้ำตาพังตลองสังเวชหาที่หนาไหนนะ่หนาคําอยู่ที่ไหนนี่ทำอยู่ที่ไหนแบบกดขึ้นเขาลงนั่นทำนี่หาทำทำอยู่ที่ไหนนี่ทแบบำให่ใหน่อะไ ร, ะไรนี่ก็ถูกขี่ว่าแบบนั่งขึ้นอยู่อดภูเขา แต่นี่มาอาจุดนี้แล้วก็เหมือนกับนั่นเหลือไปหมดไปนู่นแบกอันนี้ไปทําไมไม่ดูข้ามหมายบ้างแบกไปทําไม้ยมันไม่ดูตรงนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละัเรื่องดูกระดูมันังไม่ไม่ดูดันคือมันไม่กระตือใจเหมือนดังที่มันเป็นแล้ว น, ล น, นี่มันจะไปอะไรมันทำให้โอ้ดินมันล้าพึ้นล้ำพื้นนี่ นำพุ่เมื่อความถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีน้ำหนักเต็มที่เต็มที่ทุกระยะที่มันนํำพุ่ง น, นะอ้ โ, อโอขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้น้ำพุ่ง ที่เคยใครฟังเขาก็นคนว่าบ้ากันเลยหาว่าเป็นบ้าเลยเขาไม่สนใจ่จะฟังเขาจหาว่าบ้าดินบินบินใครคนหาว่าบ้าหนึ่งเลยแต่ดูตั้งแต่ตรงนั้นนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่ว่าเป็นเรื่องผีสุดที่ใส่ ใครจะรู้ได้เห็นได้่อมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้ี่ยมันเหมือนกับว่าสุดพิสัยทั้งโลกมันจะสุดพิสัยอห่างนี้ผ้คนที่ทำก็จะหาว่าเป็นบ้าเนี่ยมันบ้ามาไหนมาพูดเลยมึงไม่พูดถึงก็ดีกว่าที่จะพูดแหนยขนาดนั้นตรงอยู่ไปกินไปพอถึงมาละมาลวก็ปล่อยทิ้งมนเชื้ออันนี้แต่จะสบายดีกว่าที่จะพูดกับเขาว่าบ้าเนี่ย มันเอาเฉพาะปัจจุบันมาพูดมันทําให้คลืไปนั้นเียนี่พอกระจายไปอาฆาตเอาเป็นของสุขสุใสยที่ใค ร, ระจครระรู้ใครจะรู้ได้ก้อนนี้รู้ได้งไง ร, รู้ได้เพราะอะไรทีรนี้มันจะกระจายไปหาปฏิปทาแล้วนไหมไม่ได้ตั้งหลายไม่ได้มีเสียงขอ ง, องรู้หนึ่งไหนจะมารู้ได้ล่ะรู้ได้เพราะอะไร มันได้เพราะปฏิปทาก็ปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิปทาก็ปฏิบัติแล้วทาไมจรู้ไพะพธ้าสอนโลกพรพธเจ้แต่พระทธเ้กเพียงองค์เดียวเะนั้ท่านอะไรมาสอนโลกต้อปฏิปทาใจมันเหมือนกับว่ามันมันคลายขงมันออกมาเทียวก็เรื่องมีความท้อถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไเดียวกับคนอื่น ม, ม, มันก็บยังมันก็วิ่งไปเองเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านว่าในในตำลาโพ้งทรงกำมงมังขวยน้อยนะนนก็คงจะเป็นลักษณะนี้เองดูในวงปัจจุบัน น, นั่งๆมันก็ทําให้คนไยนอกก็ทําให้ว่าสุดวิสัยสุดวิสัยแต่มันอแยกไปปฏิบัติธรรมเพื่อลำเนินทํำไมพิู้ได้ไพับพิลาหน่อยพิลาเนี่ยเมื่อมีทางมันก็เข้าถึงบ้านสูงขนาดไหนเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ายได้ กายแสนกายก็ตามเมื่อมีทางเหี๋ยวมันก็ไปได้เนี่ยอันนี้เรียขนาดไหนทำเพื่อนำเนินมามีอยู่อดิปตาเพน่อนนี้พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคืี่คลายออกเกี่ยวกับโลกทั้งหลายทาะพระเจ้าเรียกมันข่อยน้อยข้นตอบมาก็มีแต่พระไท่ยีสั่งสอนแต่ยังไรที่ว่าถ้ามาปมมาราษนา พวกเราอะไรที่วางไหมฟังฟังน้นมาก็เป็นเหมือนจะฉี่อะไทำอ้ไรไปฉีดก็กันฟังไม่ไม่เรื่อนในเราอะไรในระยปีนี้มานี้ผมไม่ก็เอาแม่มาได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะเพื่พาาอจะพัุนาใหม่นะ น, นานถึงสิบกว่าวันทประชุมกัน สุขภาพแรงหม่อยบ้งการงานดุ้งบ้าไปน้างขาดไปแต่ส่วนมากก็มีแต่ผ้าเก่าๆยึดมาไว้บนบนเรื